ในนาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเลยนะเป็นมันนี้อ ม, มัสสรุปให้เช่เจอถ้าเรียนเรื่องจิตนี่ชื่อว่าเรียนเรื่องปัจจัยไม่จางเสอนอ่าถ้าบอกว่าปัจจัยและไขมันจะขึ้นให้ได้ <c oughs> เชื่อไหมว่าจิตมันเป็นปัจจัยอะไรบ้างถ้าเรียนเรื่องจิตอย่างเดียวนะใครยู่ไหนอะจิตนี่ถ้าเรียนเรื่องจิตนะเท่ากับเรียนอธิปฏิปัจจัยอธิปฏิปัจจัยคือที่เป็นสหชาตาวอธิปฏิเนี่ หรืออีกเชื่อหนึ่งเรียกว่าจิตตาทิปติอาเหติตัง เ, เท่ากับเรียนนามอาหารปัจจัยนามอาหารปัจจัยก็คือวิญญาณอาหาร เ, าเท่ากับเรียนวิญญาณอาหาร ถ้าเป็นอินทรียาปัจจัยที่เป็นนามอินตริยะเนี่ยนะเรียกว่า ม, มันอินรีย์เป็นเป็นอินตริยาปัจจัยคำว่าปัจจัยเนี่ยสิ่งเราเนี่ยมเป็นปัจจัยแก่อะไรเอก็อีกปีบอีกนิดหนึ่งไหมเป็นสหาชาตปัจจัย นหสหาชาตะปัจจัยนิสยะปัจจัย ส, สัมปยุตตาปัจจัยแล้วก็อวิคตอัตถิปัจจัยอวิคตะปัจจัยถามว่าปัจจัยของอะไรของเจตสิกนี่นีอ ถ้าเดี๋ยวข้างหลังต่อไปนะจิตกับเจตสิกเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันไอ้เกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันเนี่ยพอเอาชื่อปัจจัยมาแจกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทันถ้าถ้าพื้นฐานว่าจิตเป็นปัจจัยอะไรแก่เจตสิกนะเท่ากับมีความรู้ในเรื่องนี้ดีอยู่แล้วเพราะจิตเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวปัจจัยผลของเขาก็คือเจตสิกพอเราเรียนไปถึงปริเชดหกนะว่าจิตทําเป็นปัจจัยกับจิตตชรูปอีกทีหนึ่ง เพิ่มลดตัวนี้นะลดสำปยุตเป็นวิปปยุตแทนเท่านี้เนี่ยนี่มาพูดภาษาปัจจัยเพราะว่าทําทไมจิตจึงเกิดร่วมกับเจตสิกและจิตเป็นปัจจัยยังไงแก่เจตสิกเนี่ยค่อยคําเหล่านี้จะเป็นคําอธิบายเพราะถ้าหากว่าเราพื้นฐานความรู้เรื่องปัจจัยว่าจิตเป็นปัจจัยยังไงแก่เจตสิก เราก็จะรู้เฉพาะว่าจิตเนี่ยมันเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันเกิดด้วยการเราจะอธิบายเท่านั้นแต่เกิดร่วมกันเนี่ยภาษาบาลีก็มีชื่อว่าศาสชาตะเจตสิกนี่มันต้องอาศัยจิตนะนิสยาเท่ากับนิสยาปัจจัยจิตต้องมีอยู่นะเจตสิกจะต้องเกิดพร้อมกันเนี่ยก็บอกว่าปัจจัยต้องต้องมีอยู่ปัจจัยต้องยังไม่หมดไปเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเอกป่าทะ นนะก็เียกว่าเกิดพร้อมกันนั่นนะปัจจัยเหตุกับผลเกิดพร้อมกันปัจจัยกับปจัจจยุบันเนี่ยเกิดพร้อมกันนี่บางทีเราก็ยกโดดโดดมาจิตมันเป็นวิญญาณอาหารนะเพราะมันเป็นอาหารซึ่งนามคือเจตสิกเป็นปัจจัยแก่นามาซึ่งรูปคือจิตแต่ชรุปนั่นนะเพราะจิตเนี่ยเป็นวิญญาณอาหารให้ให้นามให้รูปเกิด หรือจิตนี่มันเป็นใหญ่นะเป็นอินทรีย์จิตเนี่ยเป็นประธานเลยคือเป็นอธิบดีนะนี่คือคําอธิบายถ้าจะอธิบายว่าจิตเป็นปัจจัยยังไงแก่เจตสิกทั้งหลายก็จะต้องเอาปัจจัยเหล่านี้มาอธิบา ย, ยาเพียงแต่ว่าใส่ชื่อปัจจัยลงไปในวิชาที่เรารู้อยู่แล้วเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่พื้นฐานไม่เรียนเรื่องปัจจัยเลยเสียหายยังไงเสียหายคือเราจะสามารถอธิบายเป็นอื่นไปได้ ซึ่งซึ่งไม่ตรงต่อความจริงทำให้เราสามอธิบายผิดไปเนะเพราะว่าธรรมชาติของอตัวตัวปัจัยคือจิตเนี่ยนะเป็นเหตุปัจจยุบันเนี่ยผลก็คือเจตสิกและจิตแต่ชรูปในขณะที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้ในในขณะที่จิตเกิดขึ้นนะปัจจัยคือจิตผลคือเจตสิกและจิตแต่ชรูป อันนี้เขียนให้ดูพอเป็นตัวอย่างอ่ะนะเพราะว่ามื้อกลางวันอาจารย์เกศสอเขาบ่นเรื่องปัจจัย <c oughs> นั่งฉันยังได้ยินอยู่เลยอ่ะขนาดพูดบงังเสีง้วเน่ <c oughs> จิตเป็นเหตุเจตสิกเป็นผลจิตแต่ชรูปเป็นผล <c oughs> พร้อมกัน มีนิพพานายากทีนี้จิตนี้วิตเขามีวิธีคิดจิตเนี่ยจะไม่ให้เขามองแง่เดียวอ่ะย้อนอีกครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงคําว่าจิตเนี่ยต้องคิดถึงอะไรก่อนเนี่ยนะจิตต้องบอกว่าวิจิตวิจิตตระนะถ้าพูดถึงจิตเนี่ยวิจิต อะไรทำให้มันวิจิตเห็นไหมก็บอกว่าหนึ่งสัมพยุทธ์ทำให้วิจิตเท่ากับเจตสิกนั่นแหละทำให้มันวิจิตเนี่ยนะเจตสิกอะทำตัวความคิดให้ให้วิจิตพิสดารเร่องที่สองอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์เนี่ยทำให้มันวิจิตอะไรอุอปนิสยัย ก็ได้สัมปยุทธเหมือนกันได้อารมณ์เหมือนกันอ่ะนะแต่ทำไมมันยังคิดเป็นอื่นไปอีกได้อ่ะเพราะอุปริสัยที่วิจิตเป็นไงคุณตัจเจนโอ้โหดูเข้าอะไรจะง่วงมากัหมตอนนี้อ๋อเจ็บตานะในกวาง่วงขนาดนั้นแย่เลยดูหนังสือจัดหรือเปล่ามั้อ่นนะ เขามาเคยเป็นอยู่ครัง้งเป็นเป็นแล้วก็แสบตามมากแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมาโดนสีอันนี้เมื่อไหร่นี่เครียดเลยคือตาเนี่ยแพ้แย่เลยะจะลืมตาไม่ขึ้นเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นก็เล่นกับจกขุนสีมันก็เป็นอย่างเงี้ย จากขุนศีมันไม่ได้มีแต่ตาอย่างเดียวนะตัวตาจริงๆมันไม่ได้เจ็บหรอกแต่กายยินทรีย์ที่มันอยู่ใกล้ๆจากขุนศีนี่แหละมันสร้างปัญหาให้อ่ะนะเพรานึกถึงคําว่าจิตตาบนึกถึงอีกตัวหนึ่งนะที่ทําให้วิจิตคือวัตถุที่เกิดมันวิจิตนี่นะตัววัตถุเั้นจิตเนี่ยวิจิตโดยวัตถุสัมพยุตอารมณ์และอุปนิสัย ทนี้ตัวของเข้าเองเนี่ยธรรมชาติที่ตระวรู้อารมณ์เนี่ยถ้าเขาบอกว่าอารมณังอารมะวิชานะอารมณะวิชานะลังษณะเนี่ยนะหรือวิสยาวิชา น, านะลักษณะเนี่ยแปลว่ารู้อารมณ์โดยลักษณะแต่ถ้าโดยปัจจัยนี่ต้องบอกว่าต้องอาศายัยอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัย คือเขาเนี่ยเกิดขึ้นโดยป ร, ราศจากอารมณ์ปัจจัยไม่ได้ต้องอาศัยอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยแก่เขาเขาไม่ได้เป็นปัจจัยแก่อารมณ์นะแต่อารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยแก่เขาสมมุติอย่างเช่นเรามองเห็นกระดานข้างหน้า น, นี่นะไม่ใช่จิตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กระดานแต่กระดานเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จิตเห็นเห็นไหอันนี้คืออารมณ์ปัจจัยของจิตจะเป็นยังไง เพราธรรมชาติของจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างหนึ่งหรืออันนี้ว่าโดยลักษณะนะการกล่าวแบบนี้เรียกว่าพูดโดยลักษณะคือรู้อารมณ์ถ้าพูดโดยตัวของเขานี่เป็นธรรมชาติที่วิจิตมากเนี่ยนะเลยเขามีคนไทยชอบมาคุยกันเล่นๆวงเล่นๆว่านานาจิตตังนานาก็แปลว่าต่างๆ แปล ว, ว่าจิตเนี่ยมันต่างกันมากนะพูดสำนวนหนึ่งว่าหลากหลายทางความคิดเนี่ยนะก็เพราะวัต ถ, ถุมันวิจิตสมมติเอาว่ะวัตถุมันวิจิตหรือไม่วิจิตขนาดไหนก็ดูว่าถ้าวัตถุคือตาของคนถ้าวัตถุคือตาหูนจมูกเลนกายและก็พวังเนี่ยนะหรือตัวหัตยะ ถ้าคนที่ตาดีเนี่ยขีดความสามารถการเห็นเนี่ยก็ต่างกันเนะเพราะวัตถุมันต่างไงตาเนี่ยสำคัญมากมีเป็นใหญ่มากต่ อ, อการเห็นวัตถุคือตาเนี่ยทำให้ขีดความสามารถในการเห็นไม่เท่ากันถ้าเป็นแบบทางโลกก็คือกล้องถ่ายรูปนะภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแต่ภาพออกมาไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคุณภาพของกล้องมันต่างกั น, อนนะของการเห็นของการอะไรต่างๆเนี่ยนะ พวกตาเนี่ยก็จะต่างกันมากหรือหูคุณภาพหูนี่ก็ก็แตกต่างกันเคยนั่งอยู่ที่เดียวกันกับเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าท่านงูมันกําลังกินเขียดอยู่ให้เราไม่เห็นดูเรื่องเลยนะเขาไปแล้วงูมันกําลังกินจริงๆเขาบอกก็ร้องฟังนิดเดียวเขารู้แล้วนะขีดความสามารถเขาเก่งมากทางหูนะบางคนก็มีขีดความสามารถทางกลิ่นนะ ที่ที่จะรู้กลิ่นนะแยกแยกกลิ่นนี่เก่งมากแล้วก็บางคนเนี่ยมีความสามารถในทางลิ้นพวกอาชีพที่ใช้จมูกก็คือดมกลิ่นใช่ั้ยอาชีพที่ชิมทั้งหลายแหละเนี่ยก็รวยเหมือนกันนะจมูกก็รวยลิ้นก็รวยนะถ้าแยกอะไรเก่งมากนี่ก็รวยโภตภาพก็ก็รวยก็มีจนก็มีเจ๊งก็มี แล้วก็ตัวหะทะยะเนี่ยนะถ้าเป็นคนเป็นโรคหัวใจนะเป็นยังไงไอ้เพื่อนคนหนึ่งนะปกติมันกล้ามากตอนหลังมันบอกเป็นคนขี้ขาดไปเลยนะได้ยินเสียงอะไรปุ๊บตกใจเลยได้ยินเสียงเขาจะตกใจง่ายมากสะดุ้งกลัวบอกไปวัดตอนหลังบอกเป็นโรคหัวใจไปปกติไอ้เจ้านี้ซ่ามากนะพอเป็นโรคหัวใจเออดีเมื่อกั้มันจะได้เงียบๆลงเลย ถ, ถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันปเป็นมันมันไม่น่าจะไปไปเป็น ท่ายั่มยืดได้ถึงด้วยท่ายั่มอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจเอาแล้วเป็นโรคหัวใจแล้วทัายัมย่มหัวใจร่วงหัวใจรั่วแล้วก็เป็นอยู่ที่นื้นะอเนื้อหัวใจคือท่านจะว่าขนาดนั้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังท่านลองเล็บขบแล้วนั่งฟังทำดูไม่ต้องไงกลไกลหัวใจขนาดนั้นหรอกเห็นไหมลองเล็บขบะนะมันบวมๆแล้วถามว่ามันไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยนะ เล็บขบอยู่ตั้งกับเล็บเท้าด้วยนะแล้วมนเกี่ยวอะไรกับจิตใจอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องไอ้หัวใจที่มันอยู่ใกล้ๆขนาดนั้นหรอกเข้ามาถึงกันหมดแล้วครับแค่กินอาหารไม่อิ่มเนี่ยนะเอาแบบก็อาหารมันหิวหน่อยนี่ก็เดือดร้อนแล้วอิ่มมากก็เดือดร้อนอีกแล้วมีผลต่อความคิดหมดเลย ทีนี้วัตถุนี่สําคัญมากแล้วคุณภาพของตาเนี่ยแตกต่างกันมากนะตาของสัตว์ในอบายก็แบ่งกลุ่มอีกนะตาของมนุษย์ก็แบ่งประเภทอีกตาของเทวดาตาของพรหมมันมีเงื่อนไขว่าเทวดาเนี่ยอยากเทวดาเนี่ยเห็นมนุษย์แต่มนุษย์ไม่เห็นเทวดาทีนี้เทวดาก็มาแบ่งจาตุมจารุมนี่ถ้าดาวดึงไม่อยากให้เห็นก็ได้ สวรรค์ชั้นสูงสูงนะไม่ยอมให้เทวดาชั้นล่างมองเห็นก็ได้พรมนี่ไม่ให้เทวดาเห็นก็ได้ให้เห็นก็ได้ถ้าชั้นสูงไปจริงๆแล้วเนี่ยจ ะ, ะขีดความสามารถจะเห็นแตกต่างกันมากแ้วอย่างพรมเนี่ยบางพรมเนี่ยมองเห็นเป็นพันจักรวาลนะนะตาเหมือนกันเนี่ยความสามารถแตกต่างกันมากอย่างพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตาปกติท่านจะมองสิบหกกิโลเมตรโดยรอบมองลงดินหรือมองข้างมองอากาศมองทุกทิศจะได้หนึ่ง ได้สิบหกิโลเมตรเนี่ยอันนี้ตาธรรมดาเลยนะไม่ต้องไปใช้ตาที่ตาอะไรหรอกธรรมดาเนี่ยท่านมองได้สิบหกิโลเมตรกลางคืนกลางวันเหมือนกันหมดเนี่ยนะไม่มีอะไรติดขัดเพราะทําบุญไว้ดีเป็นตั้งนนแต่เด็กคลอดมาก็มีตาอย่างนั้นเลยเพราะเป็นผลของบุญชาติสุดท้ายพระโพธิสัตว์ทุกองค์ต้องเป็นอย่างนั้นชาติสุดท้ายนะ แต่ตัวตัวปัจจัยนี่ทําให้จิตมิจิตโดยเฉพาะนะถ้าเป็นวัตถุนะเอาฮะอาจารย์แกสอนเข็ดเลยปัจจัยว่าวัตถุมันเป็นปัจจัยอะไรกับจิตนะเขาเรียกว่าวัตถุวัตถุก่อนใช่ไหมวัตถุนี่ต้องเกิดก่อนจิตใช่ไหมเขาเรียกว่าเพิ่มปุเรเกิดก่อนนะนะเกิดชาติชาติก็เกิดก่อนนะแล้วก็อุปการะปัจจัย คือวัตถุเกิดก่อนจิตเนี่ยนะในภาษาปัจจัยนะทีนี้วัตถุต้องเป็นปัจจุบันเงื่อนไขก็คือสห เ, อเป็นอะไรอัติอวิคตะไม่ใช่ตาบอดแล้วจึงมาเห็นได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือตาที่ดับไปแล้วไม่เป็นปัจจัยต้องตาที่กำลังมีอยู่เท่านั้นจึงจะเป็นปัจจัยขณะนั้นจริงๆนะจึงจะเห็นได้พวกวัตถุทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายหัตะเนี่ย วัตถุปุเรชาตปัจจัยนั่นนะะนั้นความวิจิตเนี่ยถ้าจะว่าไปก็วิจิตเพราะวัตถุปุเรชาตปัจจัยอย่างหนึ่งนั่นนะส่วนถ้าวิจิตเพราะเจตสิกเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยเหตุที่กังหาอินชามักเป็นต้นนะก็กลุ่มเจตสิกสัมปยุตธรรมอะทำให้ความคิดมันวิจิตเช่นถ้าเหตุหก ท, ทาให้ความคิดวิจิตก็เรียกว่าเหตุปัจจัย ถ้าเจตสิก ค, คือฉันทาวิริยะจิตตะเอ่อตัวฉันทาวิริยะตัวปัญญานะทำให้จิตวิจิตก็เรียกว่าอธปิปฏิปัจัยเป็นต้นนะพันตัวจิตเจตสิกนั่นแหละทําให้ให้ความคิดมันหลากหลายวิจิตพิสดารแต่นะสีเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกันนะสีสีก็เรียกว่าอารมณปัจจัยไงอารมณ์เนี่อารมณ์ก็แบ่งมาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นเปลิ่นเป็นรสเป็นโพธภาพเป็นธรมรมอารมณ์เนี่ยก็ทําให้จิตวิจิตแตกต่างกันไป แม้กระทั่งรูปารมณ์เนี่ยนะสีสีแบบสีสีล้วนๆเลยนะโดยที่ไม่วิจิตนชอบดูไหมหรือว่าดูสีที่มันค่อนข้างวิจิตหน่อยนะแม้แต่ทองนะเอาสีทองมาทากับสีทองมีลวดลายชอบดูวันไหนก็ขอเลือกอันลวดลายก่อนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตานี่มันโอ้โหมันอะไรจะแทรกซ้อนเท่าตาไม่มีอีกแล้วมันจะชอบดูอะไรที่มันวิจิตพิสดารลวดลายเนี่ยท่านอันนี้คือความวิจิตของจิตที่ แต่ว่าจิตที่เกิดขึ้นต้องอาศัยอารมณ์อ่ะนะและพอความคิดตัวนี้แหละมันมันเป็นอย่างหนึ่งนะคือมันทำจิตแต่ชรูปอ่ะแม้กระทั่งจิตตชรูปที่ที่ไม่ไม่ใช่ในตัวนะจิตอขออภัยรูปนอกตัวอัะนนะั้จิตแต่ชรูปก่อนแล้วก็รูปนอกตัว ความคิดของสมมุตินะนักสถาปนิกคิดขึ้นร่างแบบโดยจิตตะชะูดมาเขียนก็เยอะๆๆปะกามันก็จะลากมาเป็นรูปภาพนักก่อสร้างก็สร้างตามที่เป็นผลพวงของจิตตะชะูดเพราะฉะนั้นอย่างเมืองเชียงใหม่ก็ผ่านการคิดมาก่อนนะใช่ถนนหนทางควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็เป็นผลของจิตเนี่ยจัด จัดแจงปรุงแต่งพวกตึกรามบ้านช่องเนี่ยนะวันความวิจิตในโลกเกิดจากถ้าให้ย่อไปก็กปปเกิดจากจิตตะชูกจิตตะชูกเกิดจากความคิดเนี่ยนะนี่ยคือคือจิตจิตเป็นปัจจัยนั่นเองเป็นอุปนิสัยแก่ความวิจิตพิสดารในโลกเนี่ยนะอันนี้คือพูดถึงความจานวนตรงนี้นะพูดว่ามันมากแคะนะ่แค่ที่คือพูดสายสับเดียวบอกโอ้มากแค่นี้ ทีนี้มากยังไงก็มาค่อยๆจากประเภทดู